บุตธรรมะคูอฟังสักหน่อยนะเดินทางนิดหนึ่อยศึกษา ม, มาประยัดทางใจ <c oughs> นั่งการสบายไม่ต้องเป็นนมมือก็ได้ไม่เสียความเคารพ <c oughs> นั่งกำหนดจิต <c oughs> การสบายสบาย <c oughs> เรามุ่งหน้ามุงา่งตามาวัดวาศาสนาแสวงหาสิ่งบุญสิ่งกุศล มาท่องเที่ยวพัฒนาจรธรรมดามีเขาของต่างๆถึงนํามาเป็นวัตถุไทยยิทานเพื่อส่งการบุญส่งการกุศลเมื่อมาถึงแล้วบุญกุศลก็คือความสุขความสบายของใจเรียกว่าบุญมากุศลเรามาถึงวัดถึงวารอถวายพระถวายเจ้าสิ่งของที่เรานํามา ยินดีตื่มใจในการจะทำบำเพ็ญของตัวเพราะการจะทำบุญกุศลเช่นนี้เป็นเรื่องปลูกฝังคุณงามความดีเอาไว้เหมือนกันกับเรานำผือดผลต่างๆไปปลูกฝังในไร่ในสวนถึงผือดผลของเราที่นำไปเพราะปลูกนั้นมันจะเสียหายไปแต่ตนของมันก็งอกขึ้นมา เติบโตขึ้นมาถึงการถึงเวลาก็ตกดอกออกผลให้คนที่เสียดายคือผลว่าไปบุกฝังไว้แล้วจะไม่รับผลตอบแทนนั้นไม่มีวันมีเวลาที่มันจะตกดอกออกผลอีกมีเท่าไรก็คงอยู่เท่านั้นบางทีก็เสียหายไปมีการทำบุญสุนทานก็ทำนองเดียวกันทันบาวานคือสะหวังผล คนเราทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาจากบุญกรรมที่พวกเราท่านใดแต่ทำเอาไว้ไม่ใช่เกิดโดยไม่มีเหตุผลอะไรบุญกรรมท่านั้นที่จำเนีแจกสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ต่างๆเราที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้พิจารณาถึงเรื่องบุญกรรมบางท่านบางคนก็จะไม่เชื่อว่าบุญกรรม ทำคนให้สุขให้ทุกข์ได้อย่างไรถาาหากจะพูดถึงตำนานของศาสนาเรื่องของศาสนาคนเกิดมาจากบุญกรรมจะไปดีไปชั่วอาศัยบุญกรรมสี่ตัวจะทำเอาไว้จะสุขจะทุกข์จะจนจะรวยก็ต้องอาศัยบุญกรรมสี่เราสะสมเอาไว้บุญกรรมนั้นเป็นของสำคัญที่จะจำแนสั์ให้เป็นไปต่างๆกัน กันจิงว่ากรรมสัตวเปริภัสติกรรมหยอบจำเนกสัตให้เป็นไปต่างๆกันกรรมคือการกระทำบุญคือคุณงามความดีคือความสุขเราทำอะไรไปความบริสุทธิ์ใจมีความสุขเ อ, อิบอิม่มในจิตในใจที่ตัวกระทำนั้นท่านเรียกว่าบุญบุญนี้สามารถที่ติดตามไปสู่พบน้อยพบใหญ่ได้สะดวกสบาย ไม่เหมือนวัตถุเข่าของของโลกถึงเราแสวงหามาได้มากมายขนาดไหนเหมื่อตายไปหอบหิวหาหามไปอีกไม่ได้คนเกิดมาทุกคนจะเป็นคนประเทศไหนประเทศใดก็ตามเกิดมามาตัวเปล่าไม่มีเข่าของเงินทองเสื้อผ้าติดตัวมาเลยมีแต่หนังหุ่มกระดูกมาถ่านั้นไใว่ากใท เด้วยกันเป็นอย่างนั้นทั่วไปแต่การเกิดของคนนั้นเกิดมาแล้วก็ดีหรือการเกิดก็ดีผิดแตกต่างกันด้วยอำนาจบุญกรรมที่คนเหล่านั้นเขาสะสมอบรมมาแต่เก่าก่อนคนที่มีกรรมดีถึงจะไปเกิดในสถานที่ก็ไปเกิดในสถานที่เหมาะสมบิดามาันดาวงตระกูลของเขาร่ำรวยมีเข่าขวางเงินทอง ถึงเขาไม่มีเรือผ้าไม่มีอาหารไม่มีเงินทองติดตัวของเขามากดตามบิดามารดาของเขาทนุถนอมบำรุงเลี้ยงดูได้รับความสุขความสบายตลอดถึงร่างกายของเขาด้วยอำนาจบุญกุศลที่สะสมเอาไว้เขาก็มีร่างกายของใสสวยงามโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ค่อยเบียดเบียน นอกจากนั้นสติปัญญาในการที่จะประกอบอาชีพต่างๆของเขาก็มีขึ้นจะศึกษาเราเรียนอะไรก็เป็นไปเพื่อความสมหวังนี่คือคนที่มีบุญมีกุศลที่สะสมเอาไว้เขาได้ไปเกิดในสถานที่ดีสติที่งามถึงคนสมัยนี้จะไม่เชื่อว่าสวรรค์มีถ้าจะมาเทียบกับมนุษย์ในปัจจุบันนี้มนุษย ที่เป็นสวรรค์ก็มีมนุษย์ที่เป็นนรกก็มีมนุษย์ที่ไม่มีบุญมีกุศลอาภัพอับวากันนไม่เคยสนใจในทานศีลภาวนามาก่อนไม่เคยสะสมคุณงามความดีอะไร<ม>เกิดก็เกิดไปตามเรื่องความเกิดของตัวแต่ทำชั่วทำเสียอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะมีอำนาจวาสนาพอมาเกิดเป็นมนุษย์ ก่ออาภาัพอับปัญญาเกิดในสถานที่ไม่เหมาะดีให้ดิดามันดาที่ไปเกิดเขาก็ไม่มีวิชาความรู้ไม่มีสมบัติพัดสถานอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากเข็นใจจะหาอยู่หะกินแต่ละวันแต่ละมือ้อก็ทราบดีว่าเขาจนเต็มทีจะอิ่มปากอิ่มท้องแต่ละครั้ง ลำบากยากเย็นเรื่องหนุ่งของห่มก็ทำนองเดียวกันอดยากยากจนขาดหน้าปะก็จุยกันไปหมดนั่นเป็นอย่างนั้นนี่คือคนที่อาภัพอาวาดศสนาไม่มีบุญมีบาดสนาสะสมมาแต่เก่าก่อนคนทุกคนปรารถนาความสุขความสบายแต่อานาจบุญกรรมไม่เหมือนกันจึงเป็นอย่างนั้น ไม่มีใครที่เกิดมาปรารถนาะอยากจะเป็นคนทุกข์ยากอดอยากลำบากมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครปรารถนาะแต่มันก็พบก่อปะก็ได้เพราะบุญกรรมทิ่ตัวสะสมเอาไว้กรรมชั่วยอมติดตัวของเขามาไม่ใช่บิดามารดาจำแน่แจ ก, กให้บิดามารดาแต่ละท่านแต่ละคน ปรารถนาบุตรธิดา้องตนแต่ดีๆครั้งนั้นจะเป็นบุตรหญิงก็อยากจะให้สวยงามเป็นนางงามของจั ก, กรวาลหรือเป็นนางงามของโลทกทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะให้งามที่สุดแต่ก็เป็นไปไม่ได้ตามใจปรารถนาคนจี๋เสียอวัยวะหูตาไม่สมประกอบดีดามันดา้าไม่ชอบไม่พอใจสติปัญญาก็อยากจะให้เสียบแหลม ดีเด่นยิ่งกว่าคนทั่วไปถ้าหากทําได้นี่มันไม่เป็นไปให้ตามความปรารถนาลูกชายที่เกิดมา ก, ก็อยากจะให้รอเหลาสวยงามเหมือนกันแต่มันก็ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของบิดามารดาเรื่องเสียอวัยวะแข็งขาไม่สมประกอบหรือสติปัญญาไม่ดีนั้นไม่มีบิดามารดาคนใดปรารถนาบุตรแบบนั้นแต่มันก็พบการเห็นกันทั้งทั้งที่เกิดในครันเดียวกัน บางขันบางคนก็รูปร่างสะสวยงดงามบางขันบางคนก็รูปร่างขี้เล้วขี้เละทั้งช่างสี่ออกจากคันเดียวกันบิดามารดานั้นไม่ปรารถนาแต่มันก็มีมาเพราะกรรมของสัตว์ที่มาเกิดเมื่อมันเป็นเช่นนี้ทางศาสนาจึงบ่งบอกว่าเป็นมาเพราะกรรมของสัตว์ที่ก่อสร้างเอาไว้สะสมเอาไว้เราทุกคนทราบว่าบุญกรรมนี้ มีอำนาจเหนือสิ่งทั่วไปสามารถโดนบันดาลให้สุขให้ทุกข์ได้สามารถที่จะทำคนให้เป็นเทวดาทำคนให้เป็นสัตว์นรกได้เราทราบอย่างนั้นจึงสแสวงหาบุญหากุศลถึงทางไกลแสนไกลลำบากแสนลำบากก็อุตส่าห์ไปเพราะถือว่าสถานที่ใดจะเป็นสถานที่เหมาะดี เมื่อเราทำลงไปจะเกิดผลกำไรในการกระทำของตนนั้นอุตส่าห์พยายามดันด้นไปเพื่อหวังผลกำไรในการกัะทำของตนพอทำในที่เหมาะที่ดีนั้นผิดผลให้มากมายเหลือประมาณทำในสถานที่ไม่เหมาะไม่ดีบางทีก็ขาดทุนศูนกำไรไปเลยเหมือนกันกันกบเรา <c oughs> ปลูก ฝังสิ่งของต่างๆสืบพ้นบางสิ่งบางอย่างสถานที่ไม่มีปุ๋ยสถานที่ไม่เหมาะดีแต่ก็เป็นดินเหมือนกันปลูกได้ฝังได้แต่มันไม่งอกขึ้นมาให้มันอาจจะตายไปถึงงอกขึ้นมาเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาก็ไม่ผิดอกออกผลให้เพราะลำต้นของมันไม่สมบูรณ์ฉะนั้นนักทําไร่ทําสวนทํานาเขาจึงเลือกหาสถานที่ ไห น, นเหมาะดีควรจะทำปลูกฝังเสื่อผลอะไรเขาจะต้องสแสวงหาถึงแพงเขาก็ซื้อลําบากไกลแสนไกลเขาขอไปเพราะตั้งใจจะไปทําเพื่อผลกําไรของตนคนที่สแสวงหาบุญกุศลก่อฉันนั้นถึงไกลแสนไกลลาบากแสนลําบากก็ต้องไปเพราะแสวงหาเพื่อผลกําไรของตนคนเรามันดีชั่ว สุขทุกจากบุญจักกรรมที่ตัวแก่ทาอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้การทาคุณงามความดีจึงจำเป็นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เวียนไายตายเกิดอยู่ในวัตจ่าสงสารเพื่อความสุขความสบายกายใจต่อไปในภพชาติข้างหน้าจึงจะต้องแสวงหาบุญกุศลเอาไว้เพื่อจะไม่ผิดหวังในการเกิดของตนถึงเกิดเป็นมนุษย เหมือนเขาแต่เราก่อสุขก่อสบายร่างกายก็ไม่คอยมีโรคภัยเบียดเบียนผูดถึงสติปัญญาก็มีพอที่จะแสวงหาทรัพย์สมบัติได้ถ้าหากอาภัพอับวาสนาไม่เคยมีบุญมีกุศลมาติดตนมาเลยคนนั้นลำบากยากเย็นถึงร่างกายของเขาจะเป็นมนุษย์แต่อาภัพทางสติปัญญา คิดไม่ออกว่าจะทำอะไรจึงจะได้ทราบสมบัติมาถึงคิดออกความขยันหมั่นเพียรของใจมันก็ไม่มีให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นไปเพื่อความอดความจนอยู่ไปทนทุกทรมานไปจนกระทั่งวันตายนี่มีดา ด, ดืดนในโลกของเราไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันหมด ทางสติปัญญาทางวิชาความรู้ทางทรัพย์สมบัติมันไม่เหมือนกันหมดอย่างนั้นที่มันเป็นมาอย่างนั้นเป็นพอกรรมที่คนทำมาผิดแตกแตกต่างกันทั้งทั้งที่ทุกคนต้องการปรารถนาะความสุขความสบายต่องการทรัพย์สมบัติแต่มันก็เป็นไปไหม่ได้เราทราบอย่างนี้จึงพากันแสวงหาสถานที่หาบุญหากุศล เผื่อต่อไปพบชาติยังมีอยู่เราจะไม่ผิดหวังนี่เป็นเรื่องของบุคคลที่ยังเวียนว่ายตายเกิอดอยู่ในวัฏสรรงสารจะหนีจากกรรมดีชั่วที่ตัวทำเอาไว้ไม่ได้แต่นักบวชในศาสนามุงหน้ามุงตาจะละชิเหลียตัณหามุงหน้ามุงตาที่จะปฏิบัติเพื่อข้ามจากวัฏจะต้องนั่ง สมาธิภาวนาตังหน้าตังตากำหนดรักษาจิตใจของตนตัดอารมณ์ชั้นยาที่เป็นข่าศึกของมรของผลของความสงบเย็นใจให้ตกออกไปไม่อย่างนั้นก็จะไม่เกิดผลเกิดประโยชน์ให้การบวชเป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งนักบวชเป็นผู้ที่นำศาสนามาหากไป ม, มีนักบวช อยู่ในศาสนาไม่เลยมีนักบวชประพฤติปฏิบัติอาจทำแล้วศาสนามันก็เสื่อมไปเสียไปศาสนานี้ไม่มีกฎหมายบังคับบัญชาให้คนนับถือให้คนเลื่อมใสใครอยากจะทำบุญสุนทานหรือไม่ทำกฎหมายก็ไม่ห้ามไม่บังคับเรื่องกฎหมายของประเทศไทยเป็นอย่างนั้น ไห่มีใครที่จะบังคับบัญชาไปทำบุญกับองค์นั้นนะถ้าไหมไปแล้วจะผิดกฎหมายถูกจับกุมไม่มีบังคับแล้วก็มีไม่มีการห้ามอย่าไปนะถ้าไปแล้วผิดกฎหมายก็ไม่มีอีกเหมือนกันฉะนั้นผู้ทีแสวงหาบุญจึงมีสิทธิทเสรีเต็มที่ที่เราจะเลือกคัดจัดหาต้องใส่ตองี่นี่พิจารณาสถานที่ใดเหมาะดีที่จะเกิด คุณค่าสาระจากการกรรทาบำทําเพ็ญของตนเลือกคัดจัดเอาตามสติปัญญาของเราไม่ใช่วทะสถานที่ใดก็ทาด่ไปต้องคิดต้องนึกตึกตองให้ทีท่วนเรามีศิทธิเส ร, เรีเต็มที่สมบัติเข้าของของเราแม่สตางแดงเดียวกว็ตามก็มีคุณค่า ถ้าหากเราไปทำในสถานที่ไม่เหมาะสมให้มันก็ไม่เกิดผลเกิดกำไรอะไรแต่นั้นจริงต้องพินิจพิจารณาให้ทีท่วนการทำบุญสุนทานที่จะได้ผลมากน้อยก็อาศัยสติปัญญาของคนคนมีปัญญาจึงได้เปรียบคนที่ไม่มีปัญญาตลอดมาตั้งแต่แต่ไหนเมื่อไรมาเป็นอย่างนั้น นี่การทําบุญของคาหวะอย่ า, า, า, ย, ายมการทําบุญสุนทานของพระเจ้าพระสงฆ์ถึงเป็นนักบวชท่านทําบุญด้วยตัวของท่านเองทําบุญอย่างไรนักบวชเสียสละถ้าหาท่านอยู่คารวะท่านก็จะต้องมีที่ดินที่อยู่ที่อาศัยบ้านช่องเข่าคลองเหมือนกันนี่ท่านยอมเสียสละมาหมดไม่ไหวนักบวชหญิงไม่ไหวนักบวชชายไม่มีที่ดินแม้ตารางนิ้วเดียว เป็นของของตัวที่อยู่ที่อาศัยวัดวานี้ก็เป็นที่สาธารณะไม่ใช่ว่าเป็นที่ของท่านเป็นที่บาเพ็ญศี ะ, ะธรรมสัญยอมเสียสละ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างนั้นเมื่อมาถึงวัดถึงมามาบวชเป็นพระเป็นแนรเป็นเถร เ, เ, เป็นชีก็ต้องตั้งหน้าตั้งตากาหนดรักษาทาบุญภายในคือทําจิตทาใจของตนให้สงบระงับอารมณ์สัญญาที่เคย เกี่ยวข้องในจิตในใจโดยมากความอยากของจิตของใจคนที่ยังไม่พ้นไปมันก็มีเป็นธรรมดาแต่จะต้องมีสติรักษามีปัญญาเนี่ยสอนถ้าจิตใจฟุงคิดไปในทางผิดจะต้องสอนจิตของตัวว่าเรามาบวชยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วทำไมจึงปล่อยจิตใจให้ไหลไปสู่อารมณ์ของโลกทาแบบนี้มันผิด จากนักปฏิบัตินักบวชจะต้องทราบต้องผอใจในวราระจิตจิตคิดจิตปรุงไปแล้วกลับใจมาบอดีกรรมหรือมากำหนดบทธรรมเพื่อความสงบเพื่อความเย็นของใจจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ฝึกได้ไม่เหลือวิสัยหาใครตั้งหนา้าตั้งตาฝึกรักษาจิตใจของสนใจเห็นผลคือความสุขอัศจรรย์ซึ่งโลก ทั่วไปเขาหมั่มีด้วยสมบัตรพัศฐ า, านเ่าเข้เงินทองลาบยศสละเสริญภ้ายนอกมากเท่าไรกอดตามเขาไม่มีโอกาสเวลาที่จะพบปะความสุขอันประเสริอคือนิรามิตรสุขอ ส, สุขไม่อิงอามิตรจิตปราดสจาาที่เล็คนผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจะเห็นจะเป็นเมื่อเห็นเมื่อเป็น มีจิตใจเยือกเยน็นมีจิตใจสงบมีจิตใจเป็นอัตเป็นธรรมอย่างนั้นก็เชื่อมัน่นแบบความสุขในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะวิเศษไปเสดไปยิ่งกว่าใจสงบจากกิเลสถึงจิตสงบชั่วระยะเวลาสั้นๆก็ประทับใจตลอดไปพอเราเห็นเราเป็นเราประสบการณ์ด้วยตนของตนเอง ฉะนั้นนะักปฏิบัติจึงควรตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาภาวนาละกิเลสพอเรามาบวชไม่ได้มาสแสวงหาอะไรภายนอกเรามาบวชเพื่อปฏิบัติกายบาใจจิตให้เป็นไปเพื่อมรรคผล เ, เมื่อสอนอนอย่างนั้นตามผักเพียนเดินจงกรมภาวนาต่างหน้าต่างตา ทำความดีมันก็มีกำลังสูงขึ้นถ้าไม่คิดอย่างนั้นมาบวชเพื่ออยู่ในศาสนาแอบอิงพิงอาศัยศาสนาจิ้นมาบวชแบบกรฝากขี้เกียจทำการทำงานด่านนอกมาบวชแล้วเขาเอาเขาเอาของมาให้ก็ขบกวาดฉันกันไปพอไปท้งชีวิตไปชั่วระยะ ถึงวันตายเท่านั้นบวชแบบนี้ไม่มีคุณค่าสาระอะไรเป็นการฝากของศาสนาทำลายศาสนาคนอื่นเห็นเขาก็ไม่ศรัทธาเพราะจิิยามราร ย, ยาททุกอย่างเป็นคาราวาสไม่มีอาจมีทำอะไรประจํากายประจําใจเราจะต้องตรวจตาที่เจรณนาจิตใจของเราการทําการพูดการคิดของเราอยู่ตลอดเวลาบวชเพื่อรักษา าศาสนาเพื่อรักษากายว่าใจาใจของตัวถ้ากายว่าใจาใจของตัวไม่ชั่ยไม่เสียได้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกเวลาถึงจิตใจ ย, ยังไม่ก้าวหน้าเราก็ยังมีความสุขความสบายเพราะคิดไปในการทำของเราได้ทดําดีไม่มีผิดแปลกแตกต่างศีลรักษาบริสุทธ ความเพียรด้ต่างหน้าต่างตาด้ทาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกำลังความสามาถของตัวปัญญาตัวจตาอยู่อย่างนั้นความน้อยใจเสียใจในชีวิตมันก็ไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ทาผิดทาชั่วยิ่งจิตใจได้รับความสงบสงัดปฏิบัติเข้าใจในอจในทำแจ่มใสชัดเจนขึ้นมันก็ยิ่ง มีคุณค่าสาระสูงขึ้นพอเราเห็นเราเป็นเรารู้ในอัตในธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนท่านนี้จากคารวะไปได้ทั้งทั้งที่ท่านเป็นกษัตริย์สมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะจิตใจของท่านเป็นเห็นรู้ความสุขที่มีอยู่ในอัตในธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ท่านนีโดยความเหยียดคร้าน ไม่เอาฐานในการปกครองไม่เป็นแบบนั้นท่านหนีไปเพื่อปฏิบัติใจไหหละถอนกิเลสเราผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นนักบวชเป็นสมณะเรามุงหน้ามุงตาปฏิบัติรักษาภาวานาเห็นรู้ตามท่านก็เชื่อมั่นกราบไหว้บูชาเลื่อมใสศรัทธาพอสงบนิดๆหน่อยๆเท่นานั้นพอเห็นอันนี้สง์ความ เยือกเย็นขล้องใจเมื่อยิเลศขาดไปมันจะสุขจะประเสริฐขนาดไหนมันจะต้องมีใจเชื่อมัน่นนี่คือการปฏิบัติศาสนาผูบวชเข้ามาในศาสนาไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายกาตามจะต้องมุ่งมัน่นทำความเพียรกันอย่างนั้นจิตใจจึงจะเป็นไปแต่ปล่อยเอาไว้ ไม่ต่างใจประพฤติปฏิบัติอะไรอยู่ไปเป็นวันๆเท่านั้นว่าอะไรดีชั่วเสียหายในจิตในใจไม่เคยตรวจตาที่ารณาเลยคนนั้นจะไม่มีทางที่ไปจะไปศบพบเห็นความสงบความเยือกเย็นของจิตของใจแต่นั้นนักบวชทุกคนจึงควรสนใจ เด่อต่างหน้าต่างตางปฏิบัติรักษาภาวนาละกิเลสอย่าทำเล่นทำเพื่อผนทุกผนภัยคนอื่นเขาจะเลื่อมใสศรัทธาหรือไม่ก็สั่งเขาขอให้เราประพฤติปฏิบัติตัวข้องเราให้เห็นให้รู้ให้เย็นให้สบายให้หมดกิเลสตัณหาลาภสกสาระข้างนอกไม่ต้องบ่งบอกเรียกร้องถ้าหากเราเป็นเราเห็น เราเย็นเราสบายแล้วอะไรความอยากในจิตในใจมันหมดไปหมดมันสุกมันสงบไม่วุ่นวายเลือดร้อนไม่เกิดทุกข์แก่ตัวของตัวถึงจะมีชีวิตเป็นอยู่ในโลกเหมือนเขาแต่จิตใจของเราไม่เหมือนเพราะเราละเราตัดเรื่องชั่วเรื่องเสียต่างๆที่เคยคิดเคยปรุง ให้ขาดให้ตกออกไปใจสว่างสวัยใจเป็นพุทธะพุทโธ ร, รู้ตื่นอยู่เสมอเบิกบานอยู่เสมอนี่คือจิตของผู้ประพปฏิบัติตัวของตัวเองก็ไม่ได้สำหนิตัวของตัวเองคนอื่นที่ปรารถนาบุญปรารถนากุศลมุ่งจะมาศึกษาด่านธรรมะปฏิบัติทางละทางถอนกิเลส เราเคยได้ละได้ถอนได้ทำลายมาด้วยการพินิษพิจรารณาด้วยการปฏิบัติอย่างไรถึงเราจะไม่ไปศึกษาตามตำรับตำราว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้กาดีจิตใจมันเดินไปทางเดียวกันคนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าเห็นหากเป็นในใจแล้วจะไม่มีอะไรขัดข้องถ้าคนคนนั้นปฏิบัติมีการขัดข้องในทางจิตทางใจถ้าจะมาถาม ด้วยจิตถีมานะลองภูมิกันเพื่อเอาแค่เอาสนะอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ตอบถ้าถามเพื่อการประพฤติปฏิบัติด่านจิตด่านใจจริงจังท่านมีวาทะมีปัญญาที่จะตอบให้เพราะท่านเป็นไปในการปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปนึกว่าการหลับหูหลับตาภาวนาะไม่ศึกษาอะไรจะไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญา จะไม่มีวาทะตอบคนมีถ้าหาก จ, จิตใจรู้เห็นเป็นจริงในอดในธรรมแล้วอย่าไปนึกว่ามันจะจนไม่มีอะไรจะจนแต่กิเลสตัณหาละเอียดขนาดไหนท่านก็ยังขับไล่ออกจากจิตจากใจท่านไปได้จะไปเกี่ยวข้องอะไรไอวาทะของโลกข้างนอกถึงท่านไม่ตอบท่านนิ่งเขาจะทำนี้ ท่านว่าไม่มีสติปัญญาสามารถที่จะตอบเขาได้ท่านก็ไม่เสียจิตเสียใจอะไรเพราะใจของท่านบริสุทธิ์มันจึงสุขจึงสบายอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาคนที่มีสติปัญญาสำรักกิเลสของตัวนั้นนับว่าเป็นคนดีคนหายากคนประเสิริฐถ้าหากใครเห็นใครเป็นใครรู้ในการตเพื่ปฏิบัติของตัวแล้วคนนั้น โลกถั่วโลกเขาจะว่าชั่วว่าเสียก็สั่งเขาแต่เราก็เยนสบายแต่เราไม่ดีอย่างทําสรรเสริญของเขาแต่เขาสรรเสริญว่าเราดีเราวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งกิเลสตัณหาจิฐิมนะเต็มอยู่ในจิตในใจก็ไม่ควรที่จะดีอกดีใจอะไรเพราะโลภโลกรดหลงกิเลสตัณหานั้นมันเป็นข่าศึกของใจตาเห็นหูได้ยิน ใจคิดมากอยากจะไปทางผิดทางชั่วดี๋ยวความเดือดร้อนวุ่นวายแล้วใครเราเป็นคนได้รับตัวตัวของตัวเองได้รับก่อนแต่นั้นท่านจึงสอนให้ประพฤติปฏิบัติระวังซั้งวอนสําระกายบายจาจใจคลองตนให้บริสุทธิ์เมื่อตัวคล่องตัวบริสุทธิ์แล้วสะอาดแล้วสว่างสวยแล้วมีกําลังแล้วสุกสบายจะช่วยเหลือเกื้อหนุนของ คนอื่นก็ได้ถ้าเราไม่มีกำลังอะไรเราไม่มีความสุขกายสุขใจคนที่มาพึ่งพาอาศัยเขาจะหาความสุขมาจากที่ไหนมีแต่ทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเรื่อยไปคนร้อนจะวิ่งเข้าไปใส่ไ ฟ, ไฟเพื่อจะให้มันเย็นมันไม่มีทางให้คนโง่ที่จะไปสอนคนอื่นให้สลับมันก็ไม่มีทางอีกเหมือนกันฉะนั้นเราต้องสอนจิตใจของเราก่อนฝึก ปฏิบัติตัวของเราก่อนเพื่อเป็นแบบพิมพ์ที่ดีสิ่งทออกจากแบบพิมพ์ที่ดีจะเป็นข้องดีต่อไปนี่การปฏิบัติกายใจจึงเป็นเรื่องสําคัญพระพุทธศาสนาสอนวอกเข้ามาเพื่อตัวข้องตัวไมใส่สอนส่งออกไปนอกพระพุทธศาสนาทำของทำสอนของท่านสอนว่าอากาลิโกคือไม่มีการมีสมัย ทำดีการใดทำชั่วการใดยอมดียอมชั่วกันนั้นไม่ใช่ว่ามรรคผลนิพพานขาดการขาดสมัยคนทำชั่วทำดีไม่ได้รับผลอะไรไม่เป็นอย่างนั้นนั่นเป็นคำพูดของคนพานทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปนั่นเขาพูดบ้าของเขาเขาไม่ทราบความจริงว่ามันเป็นอย่างไรคนไป ทำชั่วจะกลับได้ดีนั้นไม่มีปกติแต่คนมองดูเพลินเผือ น, อนโกงกินเขาเขาจึงร่ํารวยอย่างนั้นอย่างนี้ถือว่าดีไม่ดีถ้าเขามาโกงเราอย่างนั้นเราเสียใจหรือไม่การโกงกินเขานั้นเราบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าตรวจตาที่เจรนาก็ทราบได้ไปด่าเขาไปตีเขาจะให้เขายกมือไหว้ ให้เขาเลื่อมใสให้เขาสรรเสริญอย่าไปถามหามีแต่เขาจะนินทาแฉ่งด่าหรือขาตีตอบแทนเท่านั้นไปกราบไปไหว้เขาไปทำคุณงามความดีช่วยเหลือเกื้อหนุนเขาเขาไม่เด็ดตำหนินินทาเขาถือว่าคนนี้มีอุปการะคุณแกเราเขาถือกันอย่างนั้นไม่ว่าสมัยปัจจุบันหรืออดีตที่ผ่านมามันเป็นอยู่อย่างนั้นคนที่ ไปจางไปด่าไปข่าไปตีไม่มีใครสรรเสริญบ่าเขาดิบเขาดีผลตอบแทนของเขาถ้าเขาทำอยู่อย่างนั้นไม่นานจะต้องถูกคนใดคนหนึ่งข <c oughs> ูเขียนดาว่าข่าตีเขาเหมือนกันนี่คืออย่างทําชั่วจะได้ชั่วได้เมื่อทําดีจะได้ดีเดินไปตามถนนทา ง, ทางก็ทราบเห็นใครเตะเขาเสียตีเขาเสีย เขาเจ้าว่ายังไงล่ะกับเราหนึ่งทำชั่วมันได้ดีมันมีที่ไหนด่าเขาเขากว่าด่าตอบตีเขาเขากว่าตีตอบทำดีก็ได้ดีเสมอไปควรทำดีไปกลับยกมือไหว้เขาเขากว่าไหวเราตอบทำดีตอ่อเขาเขาก็เหเลื่อมใสศรัทธาเคารพ บ, บูชามันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่องอาการิลการทา คือทำดีทำชั่วไม่มีการมีสมัยคนที่กำจัดกิเลสออกจากใจก็ทำนองเดียวกันมีวันมีเวลาที่จะหมดจะสิ้นมรรคผลที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นเข้าใจชัดเจนนำมาสอนโลกผู้ประพฤติปฏิบัติมีโอกาสมีเวลาที่จะประสบพบเห็นเหมือนกันถ้าหากตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติจริงจังมันเป็นอย่างนั้นแต่นั้นพวกเราท่าน ที่เกิดมาเป็นมนุษย์พพระพุทธศาสนาแนะ้วบัเป็นผู้ที่มีโชคลาภอันดีซึ่งตังหน้าตัางตาประพฤติปฏิบัติรักษาแสวงหาคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนเมื่อทุกคนไม่ประมาทละโอกาสทำความดีรีบเด่งขวนขวายแะททำไปวันนั้นวันนี้สะสมแต่นิดแต่น้อยเรื่อยไปหลายสร้างหลายหนบุญกุศล ก่อจะตเวีคูณขึ้นเราจะได้พึ่งได้อาศัยต่อไปในพบครั้งหน้าผู้จิตมุ่ง ม, มั่นในการเกิดการตายเวียนว่ายต่อไปผู้ที่ตั้งใจจะพ้นจากากิเลสตัณหาก็พึงตั้งหน้าตั้งตาสำละสะสังอารมณ์สัญญาสี่ชั่วชา้าเสียหายต่างๆให้ตกไปทําจิตทําใจให้สงบทําจิตทําใจให้ผ่องใสทําจิตทําใจให้พ้นจากทุกข์เมือ่อใดยัง มีความสงสัยยังไม่แจมแจ้งในจิตในใจก็หมันพินิษ์พิจารณาําระเรื่อยไปจนหมดปัญหาของใจว่านิพพานอยู่ที่ไหนในต้องไปหาที่อื่นเพราะเห็นในจิตในใจของตน้วยการประพฤติปฏิบัติปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตกออกไปจากจิตจากใจใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะคัดค้านว่านิพพานมรรคผลหมดไป แสใจของผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นอย่างนั้นจะไม่มีทางสงสัยให้นี่คือการปฏิบัติในทางศาสนาทุกคนมีสิทธิที่จะธรทมบทําเพ็ญตามความสามารถของตนแต่นั้นขอทุกคนจงนำธรรมะที่อธิบายนี้ไปพิจิติจารณาดูเมื่อรู้เมื่อเข้าใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้ายังเป็นอาการิกธรรมคือยังคงเส้นคงวาอยู่ผู้ ป, ปฏิบัติ ทางดียังมีผลดีตอบแทนผู้ที่ปฏิบัติชั่วทําเสียหายยังมีความชั่วตอบแทนอยู่อย่างนั้นก็พึงละเว้นสิ่งที่ชั่วบําเพ็ญสิ่งที่ดีต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขกายสุขใจการอธิบายธรรมเขียนว่าพอสมควรเสียเวลาพ อ, อยุติเพียงแค่นี้เจวัง